เอาเดี๋ยวหลวงพอ่อจะบอกยังให้ฟังสักน่อยยังคอยแยกใหญ่กันนะแต่มาหาครูบาอาจารย์ทั้งที่เมือ่อวานหนึ่งหลวงพ่อขัไปนู่นไไนะจะไปถ่ายลูกนะเวลาสี่บอกจะถ่ายลูกจะกรานไปยังเมื่อไทยอยู่ในความสงบบาไฮที่ถ่ายตรงพ่อมาให้ถ่ายไทยหลวงพ่อสี่บอกยังคอยถ่ายขณะที่หลวงพ่อบอห้ามถ่ายถ่ายลูกถ่ายไปอย่งางวะ หลวงพอ่อไปยาไคไทยนี่ยทายลูกทายไปห ล, ลายๆเห็นแต่ยุ่ในถังขยะคนนะูกูบายจารทเทเอทาร่าหัวล้านถถเอยู่ในถังขยะคนนะพราะน่นเฮ้าไปยาไคไทยหอกายลู ก, ลกะกันจาเป็นเออกระบว่ากันเป็นบางข่างบางข้าวอันนี้หัวทอกาปั่นกับทายหมกกองมาแกเป็นคองเหรนไปมดหัวล้านถลทถลเทยผูบายจานเฮ้าไม่เห็นด้วยแต่ว่าบางที่เฮ้ากระบวาบางที่เฮ้ากระบวแต่ในใจของเฮาเนี่ยเฮาบ่เห็นด้วยวนไป เอาไปพี่จันนาบงลูปฏิห่าวบอลมันแมนบอลลงไปนางเทอรูปคู่บ่าจานเนี่ยทุบถังขยะนางเทอยู่ในพื้นบนน่ะรูปหลวงปู่มันนางเทาพระพุทธลูกบน่ะเออเข้าเห็นเนี่ยายังจับขืนมาเขายังยกเออเขายังคอยปิดเอาไว้มองอื่นเนี่ยเข้าบริกรรมด้กายถือว่าเป็นพ่อแม่คู่บ่ายจาย์ถึงจะได้เป็นลูกเพิ่นมันลงไปเออพุทธศาสนาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นถือสูงถือต่ําเนียเออเพิ่นบใวย ถือหลวดกวดเพียงเ่อให้เอถือเป็นอย่างอื่นหมดถึงจะเป็นลูกในแผน่นหนังสือพิมพ์ก็ตามก็คือลูกพ่อแม่คู่บ่ายจานคือลูกพระพุทธปฏิมาจะไปเหยียบไปยํบาบ่อใดเป็นที่สิ่งเข้ารบสักราบูช า, าขั้นผู้ไร้ผู้จักสูงผู้จักตา่าจิตใจข้าพูดสูงขึ้นกัน่ะจิตใจก็ต่ำขึ้นกันเพราะนั้นตรงพ่อเอง เ, อเรื่องทายลูกในหลวงพ่อ ก, อก็บางที่ก่อ กรบอกคอยเว้าวอกว่านัน น, นที่เออมัน เ, นเป็นมือเข่ารบคารวะลูกซิดลูกหาผู้บาอาจารย์อยู่นสถานที่ใดในพรรษาอ่บอกว่าพวกท่านผมเอมียงว่านกับไปกาบลงปูบุญมีข้าวกรอบกับไปกาบคารวะหลงตามหาบัวว่านกับไปลงปูบุญมีปูเพี้ยนปูแผง อ, อแต่ปูเพี้ยนกับไปกาบ อธิษานของเพิินบอกเป็นมรณะภาพพ่อไปเห็นวัดว่าศาสนาของเพิินแล้วกัเออเป็นยังไงบะมันจอยจอยงอยเงาว่ะหนูไปเ อ, อ่ทั้งที่ผู้บายจานสมัยอยู่พอไปหอดวัดเพิินก็นจะต้องได้พบได้เจอได้ถามได้ทายสนทนาปารบแต่ไปมัอว่านี่เห็นแต่แต่กระดูกของเพิินเห็นแต่วัดพระเห็นแต่พระอยู่ในวัดมณโณมมณแนมคือกันกับ พอแม่ตายไปแล้วยังแต่ลูกแข่งสะละมาไปห้าก็นในฐานะน้องนู่งเาไปเห็นพ่อแม่คู่บ่ายจาันรุ่นพี่แล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นอย่างไรในจิตใจใครๆกับว่ามันขาดขาดโฮมพ่อโฮมไส้ขาดที่พึ่งเออของลูกของหลา น, ข อ, นอของน้องของนุ่แต่สมัยของหลูกพอ่อขึ้นกันหลวงพ่ออยู่ ผู้จ ก, กอกับหลวงปูหงป่หลาหลวงปู่หลามรณะภาพแต่หลวงพ่อไปจากเพียไปไกลๆพบคืนไปก็ไปเห็นหลวงปู่มันเข่านันเบานี่เทศนาวาการให้ฟังก็ได้รับความอบอุ่นทังด้านคิดใจอแต่พอเพิ่นจากไปถนัดน่ะบ้าคืนไปนีมันปิดจลอยๆจังไรบุนี่แหละอันนี้แหละพนวาหอมพ่อหอมไส้ทั้งด้านคิดใจของเฮ้ามันหล่อมันโค่นลงไป เพื่อ ใ, ให้พวกเฮาทางลายเนะ่าให้ซอสแวงหาที่พึงทางด้านคิตใจให้มีจิตใจให้จิตใจของเฮามีทีพย์พึงพระในข้างพระพุทธเจ้าเพื่อนพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพานอีกสามเดือนเน้าเฮาจะปรินิพานพระสงฆ์ทางลายก่อนความคิดเห็นแตกต่ตางกันบางองค์กับวูพระพุทธเจ้าจะปรินิพานแล้วต้องเข้าไปอยู่ใกล้ชิด ขอไปค่อยรับใช้เพลินขาไปดูแลอุปธรรมปฐากเพลินยางไก่ชิดเพลินเจได้ใไฮไซยังต่องมาลุ่มปาตุ่มกันดูแลอย่างที่ถ่วนทุกประการเพราะเพลินเจได้จากไปแล้วยางหน่อยก็่าใดรับโอวาดของเพลินเพลินจิตแนะนําสร้างสอนอยังเป็นทีล้ำลึกเป็นทีประทับใจในขณะที่เพลินเหลวงรับรับการไปอันนี้ก็คือพระสงฆ์สาวกบางกลุ่มแต่บางองค์กว่า ในเงี้ยวว่าพระพุทธเจ้าจะปริญญาผ่านโอ้บอได้เขายังเป็นผูมีกิเลสราคะโทษสาโมหายู่ยังบอได้สาเร็จเป็นพระอระหรันเข้าควรจะปีกตัวออกไปพาวนาตามลําพังบอกขวรจะขอไปคุกครียุ่งเยิงวุ่นไหวกันไปยังสัน่นมันกับบไดาพาวนาควรจะไปหลีกตัวไปพาวนาเอาอย่างอุกฤต ให้ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปริปรนิปพานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจากไปขันธวัปพระพุทธเจ้าจากไปบางที่เฮ้ามีความคงใจก็ทิถามเพิ่นบ่ได้พอเพิ่นจากไปแล้วคณะนี้เพิ่นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยยังได้ยังได้ขมันฆ่าเนี่ยของเนจิตใน่ใจก็พร้อมที่จะเข้าไปกราบถามพระพุทธองค์ได้อันนี้ก็คื อ, คอกลุ่มหนึ่งเพิ่นก็นเล่งภาวานาของเพิ่นแต่สองคน พระสงฆ์สองกลุ่มเนี่ยก็เพ่งมองไปคนละทางกันแหละไอ้พวกที่อยู่ในป่ากันโอ้ยจะจะไปเฝ่าพัฏฏิยังไอย้ยูพ่อปอม่าณชักกลุ่มหนึ่งก็พ่อได้ดูแลพระพุทธเจ้าไอ้พวกที่มีกิเลสอยู่กันนาจะออกมาภาวน่าแฮไอ้พวกที่อยู่ในใกล้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระสงฆ์มโนนันเป็นอย่า ง, งากูญแจกี่แล้วพระพุทธเจ้าจะปรินิพานเป็นอย่งบุคคามากรับใส่พินบอม่โหูพร้อมล่อมเพลนก็บหูหจักอยู่แล้ว เป็นอย่างนี้ไปหาปีกกลีกตัวยิวจังสันแตมไม่จริงกระตายจะเขามากใกล้กันใช่ไหมว่าปรึกษาปารบกันเบิงน้ำกันว่าเห็ุจังไมรที่ถูกที่ต้องอันนี้คือพระสงฆ์สองแนวความคิดกันไปโภนิสู้กับเขาไปกลับทูลพระพุทธเจ้าบอกง่ายๆแต่คือฟ้องพระพุทธเจ้านะ่ะมาพระภูษุนั่นน่ะในทั้งที่ลู่ลู่ลู่ลู่ลทางลู่พระพุทธองค์จะละขันปรินิพานบอกี่วันข้างหนา แต่บอขอม้ากไก่เหมือนกับเป็นบุคคลลึกลับคนนั้นไปบอขอม้ากไก่บอมาพอมเพียงสมัครขี่โมพระองค์นั้นที่ไปอทางที่เจ็ดใช้แนวความคิดมาช่วยกันพิจารณาแก้ไขสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นะมันต้องมีเพราะพระไตรเจ้าก็เรียกพระองค์นั้นเขามาบอกว่าเธอเป็นอย่ง ไอ้เจียงโมเขามา้าอยู่กับหมู่กับเพื่อนโม่ข้าซอยหมู่พวกเพื่อนละ่ะทําไม่ทันจึงปีกตัวอยู่จังสั้นพระออกนั้นกับกาบทู่นขึ้นมาวา่าขาพระองค์ยังมีกิเลสอยู่ยกิเลสราคะโทษสัโมหานยังอยู่ในใจของขาพระองค์อยู่ขาพระองค์ก็เลยปีกตัวไปพาวนาเพื่อจะชําระใจของขาพระองค์เองให้หมดกิเลสก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินีพาน เนี่ยพราะนั่นขาพระ อ, องค์งยิงบาเลยเข่ามาเฝ้าพระพุทธองค์ตามอย่างาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่พระเจ้าข้าเลยพระพุทธองค์ทางที่พนจนิตํานิพนวสาทุสาทุท่ามแบบองค์นี่ถูกต้องแล้วเนี่ยเออท่ามแบบองค์นี่ถูกต้องแล้วเข้าประตองห่วงประตองห่วงเข้าหรอกให้ห่วงเจบของให้ห่วงคว่าภูมิไดมดกิเลสแล้ว เมื่อราคาโทสะโมหะแล้วเอออ น, นันตก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าว่ายังมีกิเลสอยู่น่ะควรจะห่วงจกของนะเล่ตาตถาคตเป็นยุจธังสีแหละนี่หละอันนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าคนไห่แนวความคิดจากนั้นพระพุทธองค์พออนอนระอนุก็รดตกาบพูดถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข่าเมื่อพระพุทธองค์ปริิปิณิพานแล้ว จะให้พวกข้าพระองค์ปฏิบัติจังไหรกับศีละของพระพุทธเจ้าของกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์บอกว่าอย่าเลยอนนมาเถอะย่ามาวิตกกังวลกับศีละของตถาคตเพ ร, ะราะศีละของตถาคตร่างกายของตถาคตเมื่อตายไปแล้วกว็พวกกษัตริย์ทั้งหลายมัณฑะกษัตริย์ทั้งหลายเขาจะจัดการเองไม่ต้อตงห่วงให้พวกท่านมินาที่ให้เผากิเลส ตัดกิเลสภายในใจิตในใจของท่านให้หมดกิเลสนั่นแหละอันนี้คือความถูกต้องเรามาเห็นมาอยู่กับเรื่องศีละของเรล่าทศกัณฐ์นะพระพุทธเจ้าตัดเจงสันติแต่พระอ น, น, นุนก็บอนิ่งอยู่เท่านั้นแล้วเพื่อกลุกเขาอีกว่าแมนยุปเจ้าข่าแต่ถ้าว่ามั่นรักกัตริย์เขาจะถามว่าถามข่าพระองค์ว่าเมื่อพระพุทธองค์ป ร, รินิพพานไปแล้วจะให้พวกข่าพระองค์ฮิตยังไงท่านอ น, นุน ข้าพระองค์จะได้ได้ให้ยคําตอบเขาได้พระพุทธ อ, องค์เออเออขันทันกะบอกเขานะให้ปฏิบัติเหล้าปฏิบัติต่อศีระของเหล้าเนี่ยให้ปฏิบัติเหมือนกับพระเจ้าจากักรพรรดิพระอนุนก็ได้ช่องทาง่าเนี้ปฏิบัติอย่างไรพาาระเจ้าข้าปฏิบัติต่อพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดิจุกนี่ก็บบมีเดชพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินพว่าพระเจ้าจากักรพรรดิพระพุทธ อ, องค์ก็เลยได้แนะนําเออให้ทํำ สีละหลางกายให้สะอาดจากนั่นกับพันด้วยซัมลี่ชุบด้วยนำหอมนำมั่นและก็พันโดยผ่าหา0อยั้งหา0อยฉัน อ, อันนี้ละคือที่พระพุทธองค์เป็นหวงพวกเข้าทานทั้งหลายแต่พวกเข้าท่านทั้งหลายคู่มือนี่ไปอีกรูปแบบหนึง่งป้อนนั้นขอให้พวกเข้าให้คิดไปอยู่เสมอว่าอันนั่นคือคือท่ำข่ำสังสอนของพระพุทธเจ้า เพิ่นมีจุดหมายปลายทางจางังใดเพิ่นมีจุดมุ่งหมายอย่างาในรักธรรมค ำ, ำสั่งสอนนี่พ้อนออกไปเพิน่นให้เห่าให้อ่านให้ออกเพิ่นวัยมุม่งหวังทั้งวัตถุจนเกินไปพร้อมการไขมีธรรมในจิตในใจไปพร้อมขับไปมุ่งแต่วังจิตมุ่งแต่วัตถุอย่างเดียวผิดวัตถุประสงค์พ้พพอนออกไปคำว่ามุ่งทั้งธรรมแล้วก็เอาทั้งโลกนั่มเน่เพราะเขาอยู่ในโลกอันนี้ก็คือไปด้วยกัน วันนั้พวกเข้านะ้ะถึงจะอยู่ปานถงพงไผ่เหมาะแล้วเอผาตากเสืออยู่ผลยอดเขาฮะอยู่บงสูงสูงจิตใจของพ่อก็ให้สูงน้าพอมันไปให้สูงคือยังผาตากเสือหนะ่อน่ะอากาศก็ดีผมว่าเหมาะในการภาวนาตีเล่นหามุ่งสงบเอเสียงสงบสงัดนี่ยหายห่วงอีกคือกันเพราะมันอยู่ในมุมสงบอย่างชิดชดแล้วหนึ่ไปมาะสมยางมาก เป็นมอสถานตีแกบเหมาะสถานทีภาวนาแต่ว่าถึงจะจังไนก็นตามถึงจะเหมาะกระตามทเหมอกนมมอปนไดก็ตามพไปนะไปการท้าวาเข้าขีดเกียร์พาวนามันกระบเหมอะ ค, คือกอลมันเหมาะแค่การกิ่นการนอนงประหารลบอยู่ลบนอนงอีกต่างหากว่ามีอะไรสิ่งใดมรัรบกวนอันหนี้มันก็บอกถูกเลยไอ้คนนั้นหาอยู่จังสัน่นเลยต้องพยายามเนะ้อพาวนาเนะ้ออยู่ในความสงบเนะ้อผมคิดว่า มูพกเพื่อนทุกองคน่ะที่ไปอยูนักสถานที่นั้นเขางพยายามได้ศึกษาธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูหลวงตาที่เพผนเทศให้ฟังอแล้วกัธรรมเทศนาแยมเมื่อคืนเนะผมคิดว่าคงฟังได้เทศของหลวงตาแย่เมื่อคืนผมเอาเทศอธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีหา คำว่าพัวเข้าอยากจะฟั่งภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเลยกาฟั่งเปิดฟังใดแต่ยมเว่นเนี่ยเพิ่งกะแกงหมอหญ่บางที่ก็เพิ่งกะเทศเรื่องนั้นบางเทศเรื่องนี้บางเทศได้หลายเรื่องแต่ยมเว้นเนี่ยตั้งแต่สองถุ่มจนถึงตีหานเทศภาคปฏิบัติเท่านั้นว่าไปเรื่องจิตตภาวนาเท่านั้นว่าไปแต่เข้าปตองฟั่งมากหรอกฟังเทศฟั่งสักการนึงกระเพาพอเปิดขึ้นมาเปิดวิทยุขึ้นมาแล้วก็นั่งฟัง นั่งฟังอิริค่อยลงไปเอให้มีสติอยู่กับเจ้าของฟัง่งจากนั้นแล้วค่อยอปิดแล้วกันฟังภาวนาต่อไปสรุปแล้วก็คือให้ฟั่งมือละกันพ่อให้ฟั่งมือละกันพ่อนี่แหละเป็นแนวความคิดถามว่าพวกเข้าได้ฟั่งมือนั่นแน่มือนี่แน่ไร้มือต่อไร้เว้นจิตติ ป, ปัญญาของเขาก็จะได้หูเรื่องพุทธศาสนาหูเรื่องทัง้งจิตใจ กิเลสคื อ, อยังท้ำคื อ, อยังความพ่อเพียงในจิตในใจเฮ้าคื อ, อยังเข้าจึตมีความรู้พอพหัวเข้าขมาศึกษาใหม่คันนว่าพวกเข้าบริศึกษามิถค่อยแต่คู่บายจานแนะนำย่างเดียวห้องบออ่านหนังสือห้องบอกฟัง่งธรรมะปัญญาันกโงวเกิดเด้เพราะเหตุใดผลักของพุทธศาสนาเนี่สุดตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง เนี่ยบวมันจิเกิดขึ้นมาตามลำพังบวมนี่ยำผู้ลู่แจ้งโลกบวมนี่เข้าต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากคู่บาอาจารย์จากเทพจากหนังสือจากการศึกษาต่างๆเนีจากนั่นเกามาเมื่อได้ยินได้ฟังเลยก่อกินตามมายาปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการไข่ควรทบทวนเรื่องเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังนะัม้มาแยกแยะอีกทีนึง่งเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังนี่ยมันเป็นอย่างไงมีเหตุมีผลบอถูกต้องไหม ยิ่งยินงในฟั่งเนี่ยอันเนี้ว่าจินตามายะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินงในฟังน่งการภาวนาซะก่อนทำคิตใจเห็นหนึ่งซะก่อนจิตใจให้สงบซะก่อนจากนั้นจึงคอยนํามาคิดนํามาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลอันนี้นนคือหลักของพระพุทธศาสนาข้อที่สามเนี่ยเรืจิตภาวนามยะปัญญาเนี่ยคือทําจิดใจสงบซะก่อนแต่ขรวัตญาติโยมเขาเนีด้วยมาก การเรียนการศึกษาของเขาเนี่ยจินสุดธรรมะปัญญากับจินตรมยปัญญาสองขออ้อนะไปส่วนภา ว, ภาวนาวมยะปัญญา เ, เป็นนาทีของพระกรรมฐานเท่าแล้วนะไปต้องภาว น, นาทําจิตใจให้นิ่งสักก่อนยังคอยนําจิตใจที่นิ่งเนมาถอดถอนกิเลสราคะโทษสะโมหะออกจากจิตจากใจของพวกเท่านี่แหละสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการศึกษาอนนเนกสงแห่งการฟังธรรมห้าอย่าง 1. ผู้ฟังทำเจ้าได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง 2. ส, สิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ 5. ขณะฟังจิตของผู้ฟังจะได้รับความผ่องใสนี่นี่แหละสรุปน่าก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่คู่บ่ายจานทร์เพนั้นขอให้พระ ลูกหลานน้องน้งทั้งหลายนะให้ศึกษานะความรู้ความฉลาดพอได้อยู่กับผู้ใดผู้หนึ่งถ้าว่าไดสําเร็จเป็นพระอรหรันต์เมื่อใดเมื่อนั้นจบพรมมจัรย์นะถามวายเจ้าพระท่านใดสําเร็จละ่ะให้ศึกษาให้ศึกษาให้ฟังให้ไตรตรองเหตุและผลเอาไว้นะ่อแล้วก็ให้ปฏิบัติเรื่องจิตติภพวนาพวกเข้าอยู่ในป่าดงพงไพ่จังสันนะพอแม่ผู้บาอาจารย์เพิ่งก็ บ, บอกว่า กุญแจดอกแรกที่จะเปิดเขาสู่มักผลในผ่านเนี่ยคืออย่างสติสัมปชัญญะเนี่ยทำที่มีอุปการะมากสองอย่างสติความรึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวเนี่ยนี่แหละคือให้มีสติสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วมีสติดีแล้วสมาธิของเฮ้าก็จะเกิดขึ้นได้ข้านว่าสมาสติของเฮ้าบ่ดี คือคนสติฝันเฟื่อนคนเป็นบาห์าใช่ไห่ะคนเป็นบาหคนขาดสติมันจะเป็นสมาธิได้จังไร น, น่ถ้าคนมีสติเข้มแข็งสติดีพันไปแล้วฝึกึกหัดสติมันเผ้อไปกระดึงมากเห็นมันอยู่ในสติใอ้มอ่อยู่อ้มอยู่กับจบของสติสัมปชัญญะในเมื่อเขามีสติดีแล้วกำหนดล่มหายใจเขาออกก็ยุกำหนดดูใจก็ยุ กายเวทนาจิตธรรมเน่ยอยู่มัดขันว่าสะมีสติดีขันสติห้องบอดีห้องกำหนดตะกายห้าเห็นตะกายขันคำนดบังจิตมันบ่อยู่พอสติห้องเพราะท่านเข้มแข็งขันว่าห้าเข้มแข็งจับจิตก็อยูุ่เออจับเวทนาก็อยู่จับจิตก็อยู่จับธรรมก็อยู่ลงไปในสติประธานสี่นะั่นขันวาห้องสติบอดนะีขนาดจับลมหายใจเขาออกก็ยังทะเลิดใส่ทะเลิดขวานลงไป เออไปจับเพออะไรทุบเพออะไรตอนหนึ่งหน้าที่พยานให้พวกเขาย่างฝึกสตินะมีสติดีแล้วถ้ามุดดอื่นๆปิปัสฉนาก็จะเกิดขึ้นมาตามมากนี่แหละวัานี่คิดว่าหลวงพ่อให้แนวความคิดเอาโทนิกรอร์น่าโดยอํานาจคุณภาษีรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มคล้องขอให้พวกเขามีแต่ความสุขความ เย็นใจนะ้อปราถนาสิ่งใดให้สมหวังสงความลุงมาดปราถนาทุกประการการพูดขอขอจกเพียงเท่านี้ก็เน้อรูกหลานนะ้อ